ไม่ใช่บวชมาเพื่องานตัดสบู่กี่วก็บวชมาเพิ่ม ง, งานทำน็อสัสางหรืองานข่าอิเลซึ่งเป็นภายเกียตัวเองแลวโลกกดทั่วไปเท่านั้นเป็นหลักใหญ่ของการบวชงานนื้นก็เขาร่วมเดินแล้ววุ่นแต่ปีนี้ฟังดีเสียงไม่ค่อยเอือตือืคอคม ในสลานี่พีมันเหมือนคนชี้เราผู้ฟังมฟังสัมผัสเข้าไปก็ต้องได้คิดเลยไม่ว่าสัมผัสทางหูทางตางเพราะสิ่งนี้เป็นทางเดินของใจไม่ต้องประสานกันข้างในให้ให้รับทราบรับทราบก็ต้องคิดเนีย มาชิดทำไมกัไหมดูความผิดความถูกดีชวดัวหรือเหมาะสมมันเหมาะสมของสิ่งที่ปปเข้ามาเกี่ยวข้องสาพเนนภาพอันนี้มีเท่าไหร่ถ้าสามเอ็เนนสี่เนนเท่าหรนสี่นะนสี่สี่แล้ว แ้เน้นอะไรที่บวชใหม่อาเภอ ม, มาโพธิ์นั่นไหนว่าจะไปหาหลวงพ่อหลงตาที่ไหนนั่นมันมาขายขี้ให้เราดูนันมาอาศัยอยู่ที่นี่เราก็เลยรับไว้ด้วยความเมตตาพ็นุพอบวชก็บวชให้แล้วโผจะมาลาไปอยู่กับหลวงตาอะไที่น้องขายเนยว่าอาจารย์สั่งให้ไปว่ะ หลวงตาเนี่เป็นยังไงเราก็ถามให้ถาผลมันก็เป็นผลลบฟังพูดไม่ใช่เป็นผลบวกซึ่งรวงกับเจธนาของเราที่รับไว้เพื่อผลบวกเพื่อความจเจริญหลวงพ่อถ้าถามหลวงพ่อก่อนไม่ได้เรื่องได้เล่าอะไรวัอาจารย์มุขนสั่งมาเอาอาจารย์มาตีหัวเรา อาจารย์ไหนที่มีอำนาจยิ่งกว่าเราผู้ปกครองอยู่นี่พ้ะทวาอาจารย์นั่นจะมีอำนาจอ า, าจารย์นั่นก็ควรมาฝากสิมันก็จะมีความเกี่ยวเนื่องกันไปนี่ไม่เห็นมีหน้าไหนอาจารย์ไหนมาคนเน้นนี่ก็ด่นดันนั่นมาหาเราเราก็รับด้วยความมีตาเมือ่อเวลาสแสดงมาสแสดงแบบนั้นนั่นสิฟังที่หมู่เพื่อนเป็นยังไง ที่ผมพูดไม่ใช่หาเรื่องสมหมู่เพื่อนนะพูดตามเหตุตามผลตามหลักเกณฑ์ของธรรมเป็นอย่างนั้นทำไมจึงต้องเอาอาจารย์นั่นมาตีหัวเรานนมีอานาจยิ่งกว่าเราจะให้ไปอยู่กับหลวงตาคนนั้นแล้วก็มาบอกเราความหมายว่าอย่างนั้นหลวงตาองค์นั้นสั่งนะอำนาจอยู่โน่นแล้วก็มาบอกเราที่จะมาใส่นี่แล้วจะไปอยู่กับหลวงตาองค์ไหนไม่รู้ พี่น้องขาย ม, มันฟังขึ้นไหมล่ะพี่นาสี่เราเป็นผู่ความปารลบเรื่องราวของกูของอาจารย์ที่เคยอยู่ด้วยมาให้เราฟังเหตุผลจนปลา่อเกี่ยวเนื่องกันมาเป็นอีกอย่างหนึ่งต้อเป็นคำปรึกษาปาาลบไม่ใช่คำมาบอกม า, เ ล, า, มาเล่ามาเราไม่อยากจะพูดว่าลา คำมาบอกไว้แล้วก็จะไปน่มันฟังไม่ขึ้นกับเีินที่มาศึกษาอบรมอยู่ที่นี่เราสอนอัดสอนทำให้ตั้งแต่วันมาอยู่ด้วยถึงมาทงปั่นนี้เข้ากันได้ยังไงกับคำพูดอย่างนั้นหนังเดียวพี่นาลี่ไก่เหมือนเป็นอย่างนั้นเราทำให้ตัดทอนเข้ามานะ ทำให้อ่อนใจลงไปล่ะผลมันเกิดมาอย่างนี้ไม่ใช่ผลจะดีขึ้นมันจะเร็วลงนี่อย่ไปอยู่หลงทางก็ไปอยู่ยังไงก็ไงก็ม่รู้กถามดูแล้วมันมันไม่ใช่จะได้เรื่องนี่นได้เรื่อ ง, ง, องในลาวเนี่ยในธรรมารมันม่เรื่องมาเป็นลําดับลําดาตั้งแต่ เ, เรื่อง จูเกี่ยวเกี่ยวโยงมาจากอาจารย์นั่นเน้นหนึ่งละเอียดเลยไปกันขั้นเรื่องหรือไปอะไระนี่เหออยู่ไม่รับร้องห่มร้องไห้เราก็ร่ำไห้เรืร่องบวชให้ไม่ได้บวชให้ใช่ไหมเน้นละเอียดนักไปอะไรการไปกัรอยู่แร้วม่ไดห้าม ดูเพื่อความเจริญไปเพื่อความเจริญเป็นความต้องการของความมุ่งหมายของทำเพราะฉะนั้นทำไมฉันถึงเป็นความมุ่งหมายของเราคุรับหมู่ขวัไว้เพื่ออาจพทํารรมโดยแท้ชุมสี่ชุมห้าทมันพบมันเจอมาซะจนเข็ดจนหลบับนั่นนหละที่พูดเดี๋ยวนี้พูดดูความที่มันเคยเป็นมา แต่มันดีมยังเขียนได้หลาบหรื อ, ร อ, อว่าเนนึงมีอายุอะไรจะครบคบไม่ครบก็อยู่นั่นล่บะบานไม่จับดูก็ไปแค่นั้นเองจะมาอะไรอายุครบไม่ครบมาทับหัวเราได้เลยเราลาบไว้นี้เพื่อคุณงามความดีตัางหา ไม่เครับไว้เพื่ออายุครบดีไม่ดีไม่คำหนึ่งนะนะไอ้พร ะ, ละตระลาดพระลตระลาดตามันเหมือนกันเมื่อไหร่ตรลาดปลามันเป็นประโยชน์ก่บโลกคนหลาดปลาเนึงอมันประโยชน์อะไรกับเรากับพระละ่ะนี่สิ แล้วมาแบบสุ่มสีมสุ่สส้าพระเป็นผู้ทรงทำทรงวิ น, นัยหลักของพระคืออะไรเฉพาะอย่างยิ่งคือพระวินัย น, นั่นน่ะคือหลักของพระหวัวใจของพระเพื่อประกาศถึงความเป็นพระอยู่ที่พระวิ น, นัยมีหลักที่เด่นแต่หวัวใจของผม่ชนทั้งหลาย คือพระวินันตลอดพระนี่นี่นี่ชาวมาจากไหนสบายหรือขาดห า, ห า, หาเงินมาด้วยด้วยตัวเองเนี่นี่จะนี่จะเร็วมากแล้วนั่ น, นี่นะถ้าลงขนาดนั้นแล้วเร็วมากที่โย่เห็นอยู่ไม่ใช่เหลือว่าพระนนี่แหละหลักของพระเห็นไหมล่ะได้ทําลายหลัก เกียนันนี้ลงไปเราเก็นยังไงเราจะหวังออกความมิสิวิสูอะไรจากการทำลายหลักของพระคือตัวเราเองแล้วกระจายไปถึงผู้ใจก้าทำลายขเขาผู้ใจ้าเหมือนหนึ่งว่าพระองค์นี้โง่ที่สุดที่มาบัญญัติว่าอย่างนี้ต้องถีบออกไปออกยันต์ออ ก, ออ ก, ออกทำลายออเสียให้หมด ยังจะมีคุณค่าท่านหลักพระประเภทนี้นั่นมันต้องอย่างนั้นมันจะถูกถ้าเราังเห็นภาษาจารย์เป็นองค์ศาสดราทําเป็นทมนินัยเป็นนินัยและเราเป็นเราคือพระเป็นพระด้วยหลักธรรมในเวลาแล้วย่านําสิ่งอันนี้มาจะต้องเป็นหลังฐานยาไปดื้อด้านเป็นหังฐานนะให้ทราบเอาไว้ว่าผู้บัญญัตินี้คือศาสตาองค์เอกบัญญัติให้เราเป็นพระก็คือกับผู้ที่เจ้าผู้ดำญญั่งนะ เราเองบรรติเราให้เป็นพระมาได้พระพุทธเจ้าทรงบรรดาให้เป็นพระยาทําลายพระพุทธเจ้าผู้บรรดาให้เราเป็นพระด้วยการทำลายพระวินัยอย่างนี้นะมีรายไหนมั่งอยู่ในนี้มีไหมถ้ามีให้หนีออกโดยดว่วนยามาอยู่ในนี่นะพรา่นี้เราจะเป็นเรื่องของพระหูหนวกตาบอดหลับทํานังวินัยมีเราเป็นคนหูดีตาดีาดต่อกันทั้งนั้นรู้อยู่แล้วมาตั้งแต่การไหนไหนตั้งพระก็คือตั้งพระวินัยขึ้นมาพร้อมกันกรรมบันตั้งพระของเราอวันอุบัติ ขึ้นในความเป็นพระรของเรากับพระวินัยมีข้อนี้เป็นต้นขึ้นมาพร้อมๆกันทําไมเราจงจริงๆจะ ไ, จะไม่เห็นเนี่ยนะไปลืมตัวถึงขนาดนั้นเนี่ยกำลังจะเลวลงเล ว, เ ว, เ ว, เวนั่นพระเราเลวลงอย่างนี้จะดูออกระวังเอาอะไรทีนี่ถ้าลงได้ทําลายเจ้าของลงไปด้วยการทำลายหลักฐานใ น, นของพระพิ้าที่ทรงบัญญัติไว้ด้วยเขาไม่ตายจริงๆถึงขนาดที่เราเป็นพระโดยบบพระบุญพระวินัยแล้วเราําลายพระว น, น, นลงไปละหาคุณค่าอะไร จากอะไรอีกอะนะจะากที่ไหนอีกถ้าว่าระการรักษาพระวินัยมันมันไม่ดีแล้วการทำรักษาพวินัยเป็นของดีเอาเอามาอวดรุ่ยเจ้าจิตนี่ยินนี่นะว่ามีมากพ้าที่มาจากที่ต่างมาที่นี่มีไามเนี่ย เอาเงินมาเนี่ยเอาเงินมาอวดศาสนาอย่างนี่ยงินอะไรที่ไหนมันก็มีแม้แต่เด็กมันยังมีพระมันมีได้ที่ไหนเด็กอ่ะที่นายแล้วทำไมาเราถึงไปเห็นคุณค่าเงินมากกว่าพระของเราเอาืพี่นายดิเลวกขนาไหนล่ะ ยมร่รู้ความคิดมันเร็วทําให้เราเร็วลงดูเวลานี้ยังไม่เห็นอยู่เลยคนอื่นไม่เห็นเจ้าของก็เห็นอยู่นี่เจ้าของเขาพูดทำเองลูกอยู่นี่ยิ่งดูที่ในบรรดาอัตรรที่จะทีปลายีดด้วยกันไม่ได้กระทบกระเทือนมากเหมือนชาดูปรายาตะพันละเม่นละก่องชาตะรูปรายาตังบุกันหน้าอยู่ปรร า, า, า, ปาณ ห, าห้าไปปราณบนทิทวสาเลยอนี้ทีย่างปลายีดน นะครับเองก็ดีคนให้ให้รับกรณีถยินดีในเงินแล้ตอนนี้ขอรับไว้บนตรงก็ดีปราบเนียของนั้นต้องเสียสละในท่ากลางสงฟังด้วยอย่างอื่นมันได้กระเทือนั้งขนาดนสงเลยในบรรดาอาบัตินสกีปฏิทีสสามขีข้อด้วยกันนั่นข้อนี้กระเทือนมากรู้ไหมล่ะพวกไหนรู้ไหมมาอยู่ที่นี่รู้แล้ว ย, ยังอ่ะถึงขนาดที่ต้องสลละในท่ากลางสงโ้ยของในทำ เราคนี้ให้เป็นนิสจะคีปคีเตียแล้วสมมุติสมม่ององค์งหนึ่งไปไปทิ้งเอาเงินอันเนี้ยปัจจัยนี้ประโยน์ทิ้งแล้วห้ามมากําหนดที่ตกถ้ายัางกําหนดที่ตกอยู่ว่าเงินนี้จะตกที่ไหนอีกด้วยความมีความสําคัญมันหมายอยู่ในใจแล้วปรบาบบติอีกนั่นแหละครั้งเดียวพระวินัยข้อนี้ข้อไหนมีเหมือนข้อนี้วะใ น, น, น, นพระวินัยสามสามสิบข้อนี่จะคีไปคีเิียสามสิบมัน ที่เป็นเมนตการอนุญาตมาอนุโลมก่อนผันภายหลังนี่ก็ก็ยังไม่ไม่พระองค์ยังไม่ทรงลดน้านเลยว่าห้ามไม่รับเองทรงห้ามตลอดเนี่ยแต่ให้คนอื่นรับได้ถาทาเป็นจิงแล้วให้คนอื่นรับก็ได้แต่ห้ามไม่ไม่อให้ยดีแต่ให้ยินดีเฉพาะกับ พ, ยพียรผ่านที่เขาละไว้เพื่อจะไปซื้อไปแลกเศษมาเท่านั้นแล้วถาคนไม่ได้ ทรงบัญญัติว่าให้ยิดีในเงนะินทองแล้วเก็บว่าที่เขาเก็ไว้เป็นตัวนั้นนะนะฟังดีนัเนงเล็บตุงใบอื่เลือกไม้ขนาดไหนอันนี้มันเป็นเครื่องสังหารหัวใจของพระ ท, ที่มุ่งต่อหลักธรรมเราเวลาให้ต่อว่าผลนิพพานให้ขาดธรรบ้านลงไปเรายังไม่รู้อยู่เหรือเปลลงบัญญัติตั้งขนาดนั้นยังไม่รู้อยูอ่ยังเดื้อได้ดนขนาดเล่นหรือนะโอ้ผ ม, มดีทุเรศนะมันหวังอีสระอิสูอะไรกับเอา เงินมาใส่กระเป๋าในย่ามมาเน้นทายแบบนั้นอ่ะมันวิเศีวโชอะไรเห็นไหมเกิดมีในโลกอันเนี้ยมันเป็นยังไงเราไปทำอย่างนั้นแล้วมันกับผิดแล้วกับเขาวิเศษไหมนะ่นเราอยู่ด้วยความเป็นพระเราไม่มีสิ่งไหนนี้มาเกี่ยวข้องเลยปฏิบัติตามหลักพระเจ้านั่นมันเป็นยังไงกลับเอานี้มาแบบหุือ ม, มาติดคอเราเป็นไงอะไรที่มีคุณค่าต่างกันเอามาเทียบกันซี้นน่กปฏิบัติน่ะ ถ้าแต่แท้ไม่ได้เทียบเองนี่มันได้เรื่องอะไรเราอะไรโหมันกำลังเลิกหัวนั้นในวงน่าต่ำยุดอีเดียวเนี่ยนะพอมาเลิกไป